ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคัมภีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรักษิตาจาร์ชาสีลังการตชนาะถึงทศพลยานซึ่งมีสิบการยานที่สองก็คือสัพพัทธาคามินีปฏิปทายาน ฐานาฐานาญญาณที่รู้ในความเป็นฐานะและฐานะกล่าวไปแล้วเมื่อวานเป็นญาณที่หนึ่งญาณที่สองก็คือสัพพะทาไม่มีปฏิปทายานญาณในการรู้ข้อปฏิบัติซึ่งดําเนินไปสู่พบทั้งปวงในคาถา น, านั้นคําว่าสัตเบสัตตาสัตว์ทั้งปวงคือสัตว์ทั้งปวงที่กล่าวไว้ในฐานาฐ า, า, านัญาณที่ยังเป็นผู้วาสะดุ้ง คือยังมีตันหาหรือเป็นผู้ที่มั่นคงได้แก่พระกีณ า, าศพจากตายคือสัตว์ที่ยังเป็นผู้หว่าดสะดุง้งจากตายอย่างมีพบใหม่เป็นเหตุส่วนสัตว์ผู้มั่นคงจากตายด้วยความตายอันไม่มีเหตุคือไม่ไปสู่ในภพบใหม่อีกแล้วอันสัตว์ทั้งหลายที่จะไปสู่การกําหนดรอบแห่งชีวิตย่อมไม่มีสัตว์เหล่านั้นแม้ที่กําลังตายอยู่อย่างนี้จากไปตามกรรมคือจากไปตามสมควรแก่กรรม สัตว์เหล่านั้นคือเหล่าไหนาจากไปคือสัตว์ทั้งหลายผู้จะได้รับผลบุญและได้รับผลบาปสัตว์เหล่านั้นจากไปไหนเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านิระยังปาปะก ร, รมมันตาปุญญกัมมาจะสุขติงผู้ทําบาปกรรมจากไปนรกผู้ทําบุญจากไปสวรรค์ส่วนสัตว์เหล่าใดกระทําความสิ้นกรรมแล้วสัตว์อีกพวกหนึ่งเหล่านั้น จเจริญมรรคแล้วยังอรหัตผลให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้หาอาสวะมิได้เพราะตัดตัณหาหนสัยได้แล้วเป็นผู้เว้นจากการเกิดใหม่ย่อมป ร, รินิพานสัตว์แม้เหล่านั้นย่อมดับไปเหมือนดวงประทีป ท, ที่ดับแล้วย่อมไม่ส่องแสงอีกในคำเหล่านั้นคำว่านิระยังปาปะกรรมมันตาผู้ทาบาป ก, กรรมจากไปนรกคือผู้มีปฏิปทาไม่เป็นบุญ ก็เรียกว่ากรรดำให้วิบากดรมก็คือทำบาปนั่นเองคำว่าปุญญกรรมมาจะสุขติงผู้ทำบุญจะไปสวรรค์คือผู้มีปฏิปทาเป็นบุญก็เรียกว่าผู้ที่ทำกรรมขาวให้วิบาขาวคำว่าอปเรจะมักขังพาเวตวาปรินิบันติอนาสวาส่วนสัตว์อีกพวกหนึ่งจเจริญมักแล้ว จะปรินิพานหาอาสวะมิได้คือผู้มีปฏิปทาล่วงพ้นบุญและบาปก็เรียกว่าทำกรรมไม่ดำไม่ขาวให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมก็ได้แก่อริยมรรยงแปดและโพชงเจดนั่นเองในปฏิปทาเหล่านั้นปฏิปทาที่ให้ไปตู่พบชื่อว่าสัพพัทธคามินนปฏิปทาปฏิปทาที่ให้ไปตู่ความดับชื่อว่า อัถคามินีปฏิปทาคืออัฏฐังแปลว่าดับนะอัฏฐังคมะแปลว่าดับนั่นเองปฏิปทาที่ให้ไปสู่ความดับชื่อว่าอัถคามินีปฏิปทานาไปสู่ประโยชน์ก็ได้นะอัฏแปลว่าประโยชน์ก็ได้ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานพระญาณในปฏิปทาเหล่านี้โดยเหตุโดยฐานะโดยเฉพาะอันใด พระญาณ น, นี้เรียกว่าสัพพัท ธ, ธาคามินีปฏิปทาญานเป็นกําลังของพระตถาคตข้อที่สองสัพพัท ธ, ธาคามินีปฏิปทาญานญาณที่รู้ข้อปริบัติที่ให้ไปถูกพบซึ่งพบก็คือโลกเพราะเกิดมีขึ้นแล้วก็แตกดับเสื่อมสลายโลกที่มีธาตุมิใช่หนึ่งตัทธคามินีปฏิปทายาณญาณที่รู้ข้อปริบัติให้ไปสู่ความดับพบ ก็จะต้องรู้โลกรู้ความแตกดับเสื่อมสลายนั้นโลกที่มีธาตุต่างๆในคําเหล่านั้นโลกที่มีธาตุมิใช่หนึ่งคือจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัตธาตุโสตวิญญาณธาตุคาณาธาตุคันธาตุคาณวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสกาธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโผฏพลาธาตุกายวิญญาณธาตุ มโมทตาธรรมธาตุโนวิญญาณธาตุเหล่านี้ก็เป็นธาตุสิบแปดธาตุสิบแปดประการเป็นรูปธาตุสิครึ่งเป็นนามธาตุเจ็ดครึ่งจะเป็นสิบแปดอย่างก็คือชีวิตของเรานั่นเองปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุอันนี้ก็เป็นชีวิตแบ่งอีกหมวดหนึ่งเป็นธาตุหกก็จะได้แก่ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุหมายถึงรวม อุปาทิยรูปทั้งหมดแล้วก็วิญญาณธาตุก็คือจิตเจตสิบแบ่งออกเป็นอีกธาตุหกก็คือกามาธาตุพยาปาทาธาตุวิหิงสาธาตุเนคขมมะธาตุอพยาปาทธาตุแล้วก็อวิหิงสิอวิหิงสาธาตุอันนี้ก็ธาตุเป็นอกุศลสามอย่างธาตุเป็นกุศลสามอย่างแบ่งออกเป็นหกธาตุก็คือทุกขธาตุโทมณัสธาตุอวิชชาธาตุ สุขธาตุโสมนัสธาตุอุเบกขาธาตุอุเบกขานี่ก็ใกล้กับอวิชานะทุกขธาตุก็ตรงข้ามกับสุขธาตุซึ่งทุกคนก็ปรารถนาสุขไม่ปรารถนาทุกข์แล้วก็โทมนัสธาตุก็ตรงข้ามกับสมนัสธาตุทุกคนก็ปรารถนาโสมนัสไม่ปรารถนาโทมนัสส่วนอวิชากับอุเบกขานี่ใกล้กันเพราะว่าอยู่กลางๆอวิชาก็เป็นความไม่รู้อุเบกขาก็รู้ยาก ก็เป็นธาตุเหมือนกันซึ่งก็มีอยู่ในชีวิตประจําวันก็ยังมีธาตุอีกก็คือรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็นิโรธาธาตุธาตุคือนิโรธรูปธาตุอรูปธาตุนี่ก็พวกภวะทิฏฐิเป็นฝ่ายสัตตทิฏฐิพวกนิโรธาธาตุธาตุที่เป็นความดับอันนี้ก็เป็นอุเฉททิฏฐิอีกนัยยะหนึ่งณวิภวะทิฏฐิสังขารธาตุ แล้วก็นิพพานธาตุสังขตราธาตุก็คือธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงจิตเจริญสิกรูปส่วนนิพพานธาตุก็ได้แก่อสังขตธาตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนี้คือโลกมีธาตุมิใช่หนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นธาตุโดยประการต่างๆธาตุที่แตกดับก็มีธาตุที่ไม่แตกดับก็คือพระนิพพานนั่นเองในคําเหล่านั้นโลกที่มีธาตุต่างๆกันคือจักขุธาตุเป็นอย่างหนึ่ง รูปประทัดเป็นอย่างหนึ่งจักขูวิญญาณธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งโสตธาตุเป็นอย่างหนึ่งสัตธาตุเป็นอย่างหนึ่งโสตวิญญาณธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งสายเสียงกระตุกกระหูก็เกิดโสตวิญญาณคานาธาตุคันธาตุก็ควริยางคานวิญญาณธาตุก็ควรอย่างกันคานาธาตุเป็นสภาพไม่รู้อารมณ์เป็นรูปคันธาตุก็เป็นสภาพแตกดาบเสื่อมสดายไม่รู้อารมณ์เหมือนกันส่วคานั้นยานก็เป็นธาตุที่รู้กลิ่นชิวหาธาตุก็คือลิ้นรสธาตุก็คือรส ไม่รู้อารมณ์เป็นธาตุที่เป็นรูปชี้ความวิญญาณเป็นธาตุที่รู้อารมณ์ได้ก็ได้แก่จิตเป็นคนละอย่างคนละอย่างกันกายะธาตุโพธิภัณฑธาตุกายวิญญาณธาตุก็เป็นคนละอย่างคนละอย่างกันมนโนธาตุก็ได้แก่อะไรมนโนธาตุก็ได้แก่ถ้าโดยนิยะของพระบิธธรรมก็ได้แก่สมรติชนะสองดวงปัญจทวารไชนะหนึ่งดวงนะธรรมธาตุก็ได้แก่เจตสิกห้าสิบสองสุขุมรูปมสิบหกแล้วก็นิพพาน นะนี่เป็นธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุก็ได้แก่จิตที่เหลืออีกเจ็ดสิบกดวงจะเว้นทวิปัญจวิญญาณนี้โดยในยักษ์ของพระพิธรรมโดยในยักษ์ของพระสูตรมโนธาตุก็หมายถึงผวังพร้อมทั้งอวชนะธรรมโนทวานนะผวังพร้อมทั้งอวชนะธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ธรรมธาตุก็เป็นอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจมโนวิญญาณธาตุก็ได้แก่โชนะก็เป็นคนละอย่างคนละอย่างกัน พทวีธาตุก็เป็นอย่างหนึง่งอาโปธาตุก็เป็นอย่างหนึง่งเตโชธาตุก็เป็นอย่างหนึง่งวายโยธาตุก็เป็นอย่างหนึง่งอันนี้ก็เป็นการกําหนดรู้สภาวะลักษณะของธาตุที่เป็นต่างๆการอาการธาตุาก็ได้แก่อุปาทิยรูปวิญญาณธาตุก็เป็นคนละยางอันนี้ก็เป็นธาตุรู้ก็แยกแยะธาตุในความเป็นนามธรรมรูปธรรมได้ทำปริญญาพร้อมไปเลย การม ท, าาาาทาธ า, า, าตุก็เป็นอย่างหนึ่งพยาปาทาธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งวิหิงสาธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งการมทธาตุก็ได้แก่การโมจธรรมหรือว่าวิตกที่เป็นไปในกามทั้งหลายกามมาอารมณนะ์ก็เรียกว่าการมทธาตุพยาปาทาธาตุก็ได้แก่วิตตกที่เป็นไปในความคิดพยาบาทเป็นไปในโทสะวิหิงสาก็เป็นวิตตกที่เกิดขึ้นในความเบียดเบียน ส่วนเนคขมธาตุก็ได้แก่กุศลเป็นไปในเนคข ม, มวิตกที่เกิดกับกุศลทั้งหลายในการออกจากกาำอัพยาป า, าทธากับวิตตกที่เป็นไปในอะโทสะคือเมตตาอาวิญิสาธากับวิตตกที่เป็นไปในกรุณาความไม่เบียดเบียนก็เป็นคนละอย่างคนละอย่างกันเป็นข้อปฏิบัติในการที่จะดําเนินก็คืออบรมถ้าเป็นเนคข ม, มะเป็นวิปัสนาสมถะก็รวมด้วย อภิญญาปาทากับอวิงสาธาตุนี่ก็เป็นสมถะเมตตากับกรุณานะแล้วก็ทุกธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งโทมนัสธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งอวิชชาธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งสุขธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งโสมนัสธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งอุเตคาธาตุก็เป็นอย่างหนึ่งอันนี้ก็ทําปริญญาได้นะว่าสําหรับทุกโทมนัสต่างๆนี้ทุกก็เกิดกับกายวิญญาณกายวิญญาณก็จะต้องเกิดที่กายวิมญาะ กายย่อาธะก็ต้องอาศัยมหาพูทธรูปแล้วก็กายั่อบาธะก็รับกระทบกับผวดทพารลมก็คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมซึ่งเป็นมหาพูทธรูปนั่นเองเมื่อสามารถรู้มหาพูทธรูปและกายย่อบาธะทางทวารอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็เป็นภาษาธรรปเหมือนกันอาศัยอุปาอาศัยมหาพูทธรูปเหมือนกั น, น, กนซึ่งกายยบิญญาณก็เป็นจิตอาศัยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเจ็ดประเภทก็เป็น ปัญญาขันเวทนาขัน์แล้วก็สังขารขันที่เหลือเพราะฉะนั้นก็สามารถกําหนดรู้ขันห้าได้โดยอาศัยทุกขธาตุทุกเวทนาโทมินาธาตุก็เหมือนกันโดยกจากโทสะมริจิต2ดวงซึ่งโทสะมริจิตก็ต้องอาศัยหาดียวัตถุหาดียวัตถุก็ต้องอาศัยมหาพุทธรูปมหาพุตรูปในที่เกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของหาดียวัตถุก็ต้องอาศัยมหาพุตรูปในสมุตทฐาน4ี่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นก็กําหนดรู้มหาพุทธรูปและอุปาทิยรูปพร้อมทั้งจิตเจริสิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของโทมนัสอวิชาก็เกิดกับอกุศลจิตทุกดวงแล้วก็อาศัยหาริยวัถุอาศัยมหาพุทธรูปมีอารมณ์ก็ปกติก็จะเป็นรูปอนะสุขธาตุสมนัตธาตุก็เหมือนกันอุเบกขาธาตุก็เกิดกับจิตได้ทุกชาติก็สามารถที่จะกําหนดรู้เป็นอารมณ์สักตว่าเป็นที่ตั้งอันนี้เป็นธรรมารมณ์นะเป็นที่ตั้งของยานเป็นอารมณ์ที่สักให้วิจารณ์เกิดขึ้นให้ การะระดึกคือสติเกิดขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถกําหนดรู้ไปอย่างนี้ก็จะไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเพราะรู้ว่ามีแต่ทุกขธาตุโทมนณธาตุอวิชชาธาตุสุกธาตุสมนณธาตุแล้วก็อุเบกขาธาตุซึ่งวันๆหนึ่งเราก็จะให้ความสําคัญกับเวทนาเหล่านี้ขนาดใดที่ไม่ได้ใส่ใจสนใจก็อวิชชาธาตุก็เกิดขึ้นรูปธาตุอะรูปธาตุนี้โรธ า, าธาตุก็คนละอย่างคนละอย่างกันสังขารธาตุก็อย่างหนึ่งนิพพานธาตุก็อย่างหนึ่ง พระญาณในโลกที่มีธาตุมิใช่หนึ่งมีธาต์ต่างๆกันนั้นโดยเหตุโดยฐานะโดยเฉพาะอันใดพระญาณ น, นี้เรียกว่านานาธาตุญาณที่มีธาตุมิใช่หนึ่งเป็นกําลังของพระตถาคตข้อที่สามอันนี้เป็นอะเนกธาตุนานาธาตุญาณ น, นะเป็นญาณข้อที่สามญาณที่สองก็คือสัพพะคาไินีปฏิปทาญาณญาณที่รู้ข้อดําเนินที่จะทําให้ ไปสู่พบทั้งปวงอังนที่สามอเนกธาตุนานาธาตุญานรู้ความเป็นธาตุที่ไม่ใช่หนึ่งแต่ละคนก็คบกันด้วยธาตุธาตุที่ใกล้เคียงกันก็จะไปอยู่ร่วมกันธาตุที่ต่างกันก็จะเลิกคบค้าสมาคมกันไปสัตว์ทั้งหลายย่อมน้อมนึกธาตุใดๆแห่งโลกที่มีธาตุไม่ใช่หนึ่งมีธาตุต่างๆกันก็ย่อมอธิษฐานย่อมใส่ใจธาตุนั้น สัตบางเหล่าน้อมนึกถึงรูปธาตุบางเหล่าน้อมนึกถึงสัตธธาตุบางเหล่าน้อมนึกถึงคันธาตุพระธาตุโพธภพธาตุและธรรมธาตุบางเหล่าน้อมนึกถึงหญิงบางเหล่าน้อมนึกถึงชายบางเหล่าน้อมนึกถึงการบริจาคบางเหล่าน้อมนึกถึงสิ่งที่เลวบางเหล่าน้อมนึกถึงสิ่งที่ปานกลางบางเหล่าน้อมนึกถึงสิ่งที่ประณีตบางเหล่าน้อมนึกถึงเทวดาบางเหล่าน้อมนึกถึงมนุษย์ บางเหล่าน้อมถึงนิพพานพระยานในความน้อมนึกนั้นโดยเหตุโดยฐานะโดยเฉพาะอันใดว่าผู้นี้เป็นเวนยสัตว์ผู้นี้จะไปเกิดในสวรรค์ผู้นี้จะไปเกิดในทุคติพระยานนี้เรียกว่าสั ต, ตานาสัตนานานาทิมุติกะตาญาณเป็นกำลังของพระตถาคตข้อที่สี่เรียกว่านานาทิมุติญาณ น, นะ ก็คืออัจยาิยัยต่างๆของสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ส่งรู้ส่งรอบรู้ทั้งหมดเลยสัตว์เหล่าใดเป็นผู้น้อมนึกอย่างใดก็ย่อมถือการสมาทานนั้นๆสัตว์เหล่านั้นย่อมสมาทานกรรมหกอย่างบางเหล่าย่อมสมาทานกรรมด้วยอํานาจโลภะบางเหล่าย่อมสมาทานกรรมด้วยอํานาจโทสะบางเหล่าย่อมสมาทานกรรมด้วยอํานาจโมหะบางเหล่าย่อมสมาทานกรรมด้วยอํานาจศรัทธา บางเหลา่าย่อมสมาทานกรรมด้วยอํานาจวิริยะบางเหลา่าย่อมสมาทานกรรมด้วยอํานาจปัญญากรรมนั้นท่านจําแนกไว้สองอย่างคือสังสาระคามินีกรรมที่ให้ไปสู่สังสารวัฏนิพพานะคานีกรรมที่ให้ไปสู่นิพพานสําหรับคนที่สมาทานกรรมด้วยอำนาจของศรัทธาคนที่มีศรัทธาก็น้อมไปในการฉลั เพราะฉะนั้นก็อะโลภก็ย่อมเกิดนคนที่มีการสมาทานไปในศรัทธาก็จะมีอะโลภมากส่วนบางเหล่าย่อมสมาทานกรรมเรื่องหน้าของวิริยะคนที่มีวิริยะทำคำํควาทําให้อดทนมีขันติก็จะมากไปด้วยอะโทสะนะเพราะฉะนั้นก็สรุปก็คือคนที่สมาทานกรรมก็สมาทานเรื่องหน้าของโลภโทสะโมหะฝ่ายอากุศลส่วนคนที่สมาทานฝ่ายกุศลสมาทานกรรมฝ่ายกุศลเรื่องหน้าศรัทธาก็เป็นพวกอะโลภะ หน้าของวิริยะก็เป็นพวกอโทสะแล้วก oh ็พวกปัญญาก็คืออะโมหะในการสองอย่างนั้นบุคคลกระทํากรรมใดด้วยอํานาจโลภะโทสะและโมหะกรรมนี้เป็นกรรมดําเป็นกรรมมีผลดําในการสองอย่างนั้นบุคคลกระทํากรรมใดด้วยอํานาจศรัทธากรรมนี้เป็นกรรมขาวเป็นกรรมมีผลขาวในการสองอย่างนั้นบุคคลกระทํากรรมใดด้วยอํานาจโลภะโทสะโมหะ และด้วยอํานาจศรัทธากรรมนี้เป็นทั้งกรรมดําและกรรมขาวมีกรรมเป็นกรรมมีผลทั้งดําทั้งขาวก็คือทั้งโลภะโทสะโมห oh ะแล้วก็กระทําทั้งอโลภะอโทสะโมห oh ะด้วยที่มีศรัทธาก็เป็นไปกับอะโลภะอโทสะโมห oh ะในกรรมสองอย่างนั้นบุคคลกระทํากรรมใดด้วยอํานาจวิริยะและด้วยอํานาจปัญญากรรมนี้เป็นกรรมไม่ดําไม่ขาวเพราะว่า วิริยะนี่เป็นองค์มรรคนะเป็นสัมมาวายามะปัญญาก็เป็นสัมมติทิฏเพราะฉะนั้นท่านก็เอาขั้นสูงเลยก็คือวิริยะและปัญญาที่เกิดในองค์มรรคเพราะฉะนั้นก็เป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นกรรมที่มีผลทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นกรรมอันสูงสุดเป็นกรรมประเสริฐที่สุดย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมวิริยะกับปัญญาในองค์มรรคใน องของพุทชงนะวิริยะสามพุทชงแล้วก็ธรรมวิริยะสามพุทชง alia, ส่วนในมัส ก, ก็สัมาทิฐิคือปัญญาสัมมาสัมมาวายมะก็เป็นวิริยะการสมาทานกรรมสี่ประการคือหนึ่งการสมาทานกรรมที่มีุกในปัจจุบันแต่มีทุกเป็นวิบากในอนาคตสองการสมาทานกรรมที่มีทุกขในปัจจุบันแต่มีตกเป็นวิบากในอนาคต สามการสมาทานกรรมที่มีทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากในอนาคตสี่การสมาทานกรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตและการสมาธิและการสมาท า, า, านกรรมใดที่มีลักษณะอย่างนี้บุคคล น, นี้สั่งสมสมาทานกรรมอันเป็นอกุศลซึ่งยังไม่เพลดผลแต่ปรากฏว่าจะมีผล บุคคลนี้ไม่ควรจะไปสู่การทำลายกิเลสก็คือไม่สามารถจะไปรักกิเลสได้ในเมื่อสมาทานกรรมแต่อกุศลเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงสั่งสอนบุคคลนั้นเหมือนที่ไม่ทรงสั่งสอนพระเทวทัตพระโกกาลิกะสุนัขขัตะลิชวีบุตรก็หรือสัตว์ทั้งหลายอื่นใดผู้เป็นมิจฉัตานิยตะหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เที่ยงในการที่เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดแน่นอนอกุศลกรรม ที่บุคคลเหล่านี้สั่งสมแล้วไม่ถึงความบริบูรณ์ก่อนแต่จะถึงความบริบูรณ์ในการต่อไปจะบังเกิดผลในการต่อไปจะห้ามมรรคในการต่อไปจะล่วงพ้นความเป็นเวณนยสัตว์ในการต่อไปเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงสั่งสอนสัตว์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนที่ไม่ทรงสั่งสอนนายปุณณนะผู้ประพฤติโควัตและชีเปลยผู้ประพฤติกุกุรวัต พวกนิยตามิจฉาทิฏฐินะก็เป็นประเภทหนึ่งนะก็คืออเหตุกัทิฐินัติกัทิฐิอกิริยทิฐิอันนี้เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิแต่ว่ามิจฉาตานิยต า, า, ตาตนี่หมายรวมถึงพวกอนันตระยกรรมด้วยอนันตระยกรรมห้าแล้วก็พวกนินยตมิจฉาทิฏฐิสามประเภทนั้นเป็นผู้ที่เป็นความผิดที่แน่นอนที่จะต้องไปอาบายพระบรุตรเจ้าก็ไม่ทรงทั้งสอน กรรมมสมัตานอันเป็นอกุศลที่บุคคลนี้ก่ออย่างบริบูรณ์จกห้ามมัจแต่จะถึงความบริบูรณ์ในการต่อไปจะบังเกิดผลในการต่อไปจะห้ามมัจในการต่อไปจะล่วงพ้นความเป็นเวณนยสัต์ในการต่อไปเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนบุคคลนั้นผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนทรงสั่งสอนท่านพระองค์คุรีมานก็ทําบาปอกุศลกรรมเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่ มีกำลังมากจนกระทั่งเป็นพวกนิยตานิชัทิฏฐิหรือว่ามิชตัตตานิยตะนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแนะนำได้พระบุตรเจ้าก็จะแนะนำพึงสร้างความที่กรรมทั้งปวงให้ผลอ่อนให้ผลปลานกลางและให้ผลแรงกล้าในเรื่องนั้นอเนชชาพิสังขารให้ผลอ่อนกุศล ส, สังขารที่เหลือลงให้ผลปานกลางอากุศลสังขารให้ผลแรงกล้า พระญาณในผลแห่งกรรมนี้โดยเหตุโดยฐานะโดยเฉพาะอันใดว่านี้เป็นกรรมที่พึงเสวยผลในทิฏฐธรรมนี้เป็นกรรมที่พึงเสวยผลในอัตภาพต่อไปนี้เป็นกรรมที่พึงเสวยผลในอัตภาพต่อๆไปอีกก็คือเป็นอุปปัชชะเวทนิยกรรมนี่ก็เสวยผลในอัตภาพต่อไปชาติต่อไปทันทีทั้งไม่ให้ผลก็เป็นอกุทิกรรมแล้วก็ชาติต่อไปตั้งแต่ชาติที่สามเป็นต้นไปก็ เป็นอปราปริยะเวทนยกรรมนี้เป็นกรรมที่พึงไปเสวยผลในนรกนี้เป็นกรรมที่พึงเสวยผลในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นกรรมที่พึงไปเสวยผลในแดนเปรตนี้เป็นกรนนนกรมที่พึงไปเสวยผลในอสุรกายนี้เป็นกรรมที่พึงไปเสวยผลในเทวดานี้พึงนี้เป็นกรรมที่พึงไปเสวยผลในมนุษย์ พระญาณ น, นี้เรียกว่าพระญาณในความต่างการแห่งผลแห่งกรรมมสมัทานอันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุโดยเฉพาะเป็นกำลังของพระตถาคตข้อที่หอันนี้ก็เรียกว่ากรร ม, มวิปากญาณก็คือปัญญาในการที่จะรู้กรรมและผลของกรรมแห่งสัตว์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ความรู้ว่านี้เป็นความเศร้าหมองนี้เป็นความผ่องแพ้วนี้เป็นการออกแห่งกรรมที่สัตว์สมาทาแล้วแห่งฌานวิโมกสมาธิสมบัติที่สัตว์สมาทาแล้วอย่างนั้นด้วยประการฉนี้ฌานเป็นต้นจะเศร้าหมองด้วยอาการอย่างนี้จะผ่องแผ้วด้วยอาการอย่างนี้จะออกจากสมบัติด้วยอาการอย่างนี้อะไรขัดขวางไม่ได้บรรดาธรรมเหล่านั้นฌานมีเท่าไหร่ ฌานมีสี่ก็คือชันหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานวิโมกมีเท่าไรวิโมกมีสิบเอ็ดคือมีแปดมีเจ็ดมีสามมีสองเดี็กคงอธิบายนะสมาธิมีเท่าไรสมาธิมีสามคือสมาธิที่มีวิตกมีวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร มาที่ที่ไม่มีวิตกด้วยไม่มีวิจารณ์ด้วยสมาบัตมีเท่าไหร่สมาบัตมีห้าคือสมาบัตที่มีสัญญาหนึ่งสมาบัตที่ไม่มีสัญญาหนึ่งสมาบัตที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หนึ่งสมาบัตที่สัญญาปรากฏหนึ่งแล้วก็นิโรธสมาบัตวิโมกนี่ท่านบอกมีสิบเอ็ดนะวิโมกแปดก็มี อวิโมกเจ็ดก็มีแล้วก็วิโมกสามก็มีวิโมกสามก็คงจะเป็นอนนีมิตะวิโมกอภินิหิตะวิโมกแล้วก็สุญญิตะวิโมกอ่าแล้วก็มีสองอย่างด้วยนะดูสิว่ามีแสดงไหมบรรดาธรรมเหล่านั้นความเศร้าหมองเป็นอย่างไรคือการมราคาและพยาบาทเป็นความเศร้าหมองแห่งปฐมฌานอ่านี่วันห้านะกลุ่มลมก็ไม่สามารถเรียกเข้าปฐมฌานได้ พูดถึงการมาราคะกับพยาบาลก็เป็นประธานหนวอนห้านั่นแหละพระโยคจรเหล่าใดมีชานะกุกกตะชานะกุกกตะชานะกุกกุตะหมายถึงหนามนะหนามของชานเครื่องกั้นปฏิปักษ์นั่นเองพระโยคจรเหล่าใดมีชานะกุกกุตะและปฐมชาน กับทุติยาชาญสองข้อข้างตน้นก็หรือว่าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหาณภาคียะนี้เป็นความเศร้าหมองบรรดาธรรมเหล่านั้นความผ่องแผ่เป็นอย่างไรคือความบริสุทธิ์หมดจดจากนิวรเป็นความผ่องแผ่แห่งปฐมชาญพระโยกวจรเหล่าใดมีชาณะกุกกุตตะและตติยาชาญกับจะตุตชาญสองข้อข้างท้าย ก็หรือว่าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นวิเศษภาขคยะนี้เป็นความผ่องแผ้วบรรดาธรรมเหล่านั้นการออกเป็นอย่างไรคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมบัตินี้คือการออกพระยานในธรรมเหล่านี้โดยเหตุโดยฐานะโ ด, านะโดยเฉพาะอันใดพระยานนี้เรียกว่าพระยานในความเศร้าหมองความผ่องแผ้วและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมบัติทั้งปวง เป็นกําลังของพระทถาคตข้อที่หกอันนี้ก็เรียกว่าชานาดิสังกิเลสาดิฌานชานาดิสังกิเลสาดิฌานนะรู้ความผ่องแผ้วความเศร้าหมองของฌานเป็นต้นอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเป็นบริวารแห่งสมาธินั้นนั่นเทียวพึงทราบความที่อินทรีย์เหล่านั้นอ่อนปานกลางและแก่กล้าว่า บุคคลนี้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลนี้มีอินทรีย์ปานกลางบุคคลนี้มีอินทรีย์กระแก่กล้าบรรดาบุคคลเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงสอนบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล yeah. ้าโดยโอวาทอย่างย่อย่อมทรงสอนบุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางด้วยโอวาทอย่างย่อและอย่างพิจารณาย่อมทรงสอนบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนด้วยโอวาทอย่างทิจารณาบรรดาบุคคลเหล่านั้น พระผ e. ู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงธรรมพระย่อมทรงแสดงพระธรรมเทศนาอย่างย่อแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าย่อมทรงแสดงพระธรรมเทศนาอย่างย่อและอย่างพิสดารแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางย่อมทรงแสดงพระธรรมเทศนาอย่างพิสดารแก่ผู้มีอินทรีย์อ่อนบรรดาบุคคลเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงสมถะแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า ย่อมทรงแสดงสมถะและวิปัสนาแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางย่อมทรงแสดงวิปัสนาแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนย่อมทรงแสดงธรรมเครื่องสลัดออกคือนิสรณะแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าย่อมทรงแสดงธรรมที่เป็นโทษและเป็นเครื่องสลัดออกคืออาทีนวะและนิสรณะแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางย่อมทรงแสดงธรรมที่เป็นความยินดีคืออาสาทะ ที่เป็นโทษคืออาทินวะและเป็นเครื่องสลัดออกคือนิสรณะนะแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนบรรดาบุคคลเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาย่อมทรงแนะนําบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าด้วยอธิปัญญาสิกขาย่อมทรงแนะนําบุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางด้วยอธิจิตตสิกขาย่อมทรงแนะนําบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนด้วยอธิศีลสิกขา พระญาณในอินทรีย์ของสัตว์นี้โดยเหตุโดยฐานะโดยเฉพาะอันใดว่าบุคคลนี้ถึงภูมิและภาวนานี้บุคคลนี้มีท่าแท้อย่างนี้ด้วยอนุสาสนีนี้ในเวลานี้บุคคลนี้มีอาสยะอย่างนี้และมีอนุสัยอย่างนี้พระญาณ น, นี้เรียกว่าพระญาณอย่างรู้ความต่างแห่งความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเป็นกําลังของพระตถาคตข้อที่เจ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 ร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายสังวัตตกับบ้างหลายวิวัตตรกับบ้างหลายสังวัตตกับและวิวัตตรกับบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณัมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นมีชื่อมีโคดมีวันณะมมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปคืออาการและก็ชีวประวัติก็คืออุทเทศหมายถึง ร, รายละเอียดต่างๆในที่ที่ไปเกิดแล้วในการระลึกชาติก่อนนั้นบรรดาสัตว์ผู้เข้าถึงสวรรค์ผู้เข้าถึงมนุษย์และผู้เข้าถึงอบายบุคคล น, นี้โลภะเป็นต้นหนาแน่นอะโลภะเป็นต้นอ่อนบุคคลนี้อะโลภะเป็นต้นหนาแน่นโลภะเป็นต้นอ่อน ก็หรือทำเหล่าใดหนาแน่นทำเหล่าใดอ่อนบุคคลนี้สังสมอินทรียเหล่านี้มิได้สังสมอินทรียเหล่านี้ด้วยความประมาทหรือด้วยความเลื่อมใสนี้ในที่สุดกับโนนในแสนกับในพันกับในร้อยกับในหนึ่งกับในอันตรกับในกึ่งกับในปีในกึ่งปีในเดือนในกึ่งเดือนในวันหรือในครูหนึ่งพระผู้มีพระคเจ้าทรงระลึกพบนั้นๆอยู่ ย่อมทรงทราบไม่มีตัวเหลือพระยาณในการระลึกชาตินี้อันใดย่อมระลึกชาติก่อนได้โดยเหตุโดยฐานะโดยเฉพาะพระยานนี้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานเป็นกำลังของพระตถาคตข้อที่แปบรรดาพระยานเหล่านั้นพระาญานใดย่อมเห็นหมูสตัตผู้กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดี ด้วยตาทิพ์อันบริตรเหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ที่ประกอบด้วยกายยัุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุขติวินิบาสนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริย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 ในอันตรกับในกึ่งกับในปีในกึ่งปีในเดือนในกึ่งเดือนในวันหรือในครู่หนึ่งพระญาณในการเห็นจุติและอุบัตินี้อันใดย่อมเห็นจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยเหตุโดยฐานะโดยเฉพาะพระญาณ น, นี้เรียกว่าทิพภัจขุยานหรือว่าจุตูปปาตาญาณเป็นกำลังของพระตถาคตพ่อทิฆา บรรดาพระยานเหล่านั้นพระยานใดถึงภาวะที่รู้สิ่งทั้งปวงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงปราศจากทุลีปราศจากมนลทินเกิดขึ้นเป็นประทัดฐานแห่งพระสัพพายุตยานและพระพุทธคุณทั้งปวงพระยานนั้นคืออาสวัคคยาญาณเป็นกําลังของพระตถาคตข้อที่สิบอรหัตมรคคญาณ น, นะ อัตราบ้าก็อัตรารรมขยานคืออาสวัค ย, ยาย น, นี่เองเป็นฐานเป็นประทัก ฐ, ฐานแห่งสัพพายุตยานแล้วก็พระคุณทั้งปวงเพราะว่าถ้าอาสวัค ย, ยายนี้เกิดขึ้นพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็ย่อมมีไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ด้วยปริญญาพิสมัยปหานาพิสมัยสัชิกาตภาพิสมัยสัชิกิริยาพิสมัยแล้วก็ภาวนาพิสมัยก็แทงตลอดทุกข์โดยอัฏฐสียางนะ ก็คือปีรณัตโถสันตาปนัตโถสังคตัดโถวิปริณามัตโถทางตลอดสมุทัยก็สอย่างเหมือนกันก็คือนิธานัตโถเป็นแดนมอบให้ซึ่งทุกขอายุหณัตโถก็ประมวลมาซึ่งทุกสังโยคตัตโถก็ประกอบไว้ในทุกขแล้วก็ปริโพทัตโถก็พัวพันอยู่ในทุกนี่แหละการสรู้อ่า น, นิโรธก็อัดสี่อย่างเหมือนกันนิสรณัตโถก็เป็นการออกอ่าแล้วก็วิเวกัตโถสงัด จากทุกจากกิเลสทั้งปวงจากสมุโทัยทั้งปวงอมตตัดโถก็เป็นสภาพที่ไม่ตายอสังกัตัดโถก็เป็นสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งส่วนตัสรู้ทั้งตลอดมรรคก็ได้อาศัยอย่างเหมือนกันก็คือเป็นสภาพที่นิยานัทโถนําออกจากทุกเป็นญาณพาออกจากวัฏฏะแล้วก็เป็นเหตุวัฏโถเป็นเหตุที่ทําให้ถึงพระนิพพานทัศนัทโถ ก็เป็นภาพที่เห็นนิพพานแล้วก็อธิปไตยทโถก็หมายถึงเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสัมกตธรรมทั้งปวงก็พระองค์ก็ทรงแท่งตลอดอริยสัจสี่โดยที่มีรอบสามมีอาการสิบสองรอบสามก็ได้แก่สัจญานกิจยานกตตายานสัจญานก็รู้ความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกระตุ้มุทยนี้ทุกขนยโรธนี้ทุกขันยโรธะคารไม่มีปฏิบัติเข้าใจความจริงว่าอริยสัจสี่นั้นคืออะไร กิจยานก็คือรู้ว่าทุกนั้นจะต้องเข้าไปกําหนดรู้ด้วยปริญญากิจรู้ว่าสมุทัยต้องเข้าไปละด้วยฐานากิจรู้ว่านิโรธต้องเข้าไปทําให้แจ้งด้วยสัจิการตภะกิจรู้ว่ามรรคก็ต้องอบรมเจริญด้วยภาวนากิจและพระองค์ก็ทำกิจนั้นจนกระทั่งสาเร็จเรจร้อยบริบูรณ์ก็เป็นกะตะยานใ น, ในทุกศาสตร์ก็กําหนดรู้แล้วสมุทัยก็อิละแล้วนิโรธก็ทําให้แจ้งแล้ว มักก็จเจริญแล้วเรียกว่ามีรอบสามมีอาการสิบสองในอริยสัพสพระยานเหล่านี้คือตถาคตะระยานสิทประการของพระตะถาคตก็คือทศพลยานนั่นเองวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้จทาในพระตะถาคตน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงไว้ด้วยอำนาจของ ญาณไตรมุกขะก็คือศีลสมาธิปัญญานำนำไปเจริญให้มีเป็นผู้ที่ถ่อรวมกายวาจาด้วยศีลอบรมจิตให้สงบตั้งมั่นจิตเจริสิกไม่เกลื่อนกลนด้วยสมาธิแล้วก็พร้อมนำปัญญาให้เจริญหเห็นสังขารตามความเป็นจริงให้รู้แจ้งทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้เห็นความเป็นจริงของสังขารว่าไม่เจียมเป็นทุกเป็นนัตตากระทั่งปรากฏชัดแล้วก็ทังตลอดพิยสัตย์โดยการไม่เนิรนช้านี้ด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุ